ไม่ไหลไปกับอารมณ์ที่มันชวนดังนั้นการทำความเพียรการเข้าไปาศึกษากาันไปเฝ้าดูการไปจัดการทางกายก็ดีทางรูปก็ดีทางนาก็ดีเนี่ยตัวรู้มันก็กลับเข้ามาและตัวรู้ตรงนี้มันก็รวมกันเป็นพลังให้เกิดความชัดเจนในการสังเกตก็เป็นตัวเหตุแก่ที่เกิดปัญญาอันนี่ความว่ามันตัวรู้หรือสติสมาธิสัมมาจาเนี่ยมันก็ให้เกิดปัญญาอย่างไร มันเป็นของมันเองนะเหมือนกับเราจัดการเซต ร, ระบบอันนั้นนี้เรียบร้อยแล้วทางานได้เป็นปัญญาก่ อ, อนที่จะมาออกมาทํางานได้มันก็ระบบหลายอย่างอันนั้นอันนี้เครื่องไฟเนี่ยต้องเปิดพาวเวอร์ต้องเปิดเครื่องเสียงต้องเปิดตัวนั้นตัวนี้นวนกว่าจะเซตตรงนั้นได้ก็จะมาใช้การได้หลายระบบเหมือนกันนะกว่าจะมาเป็นตัวรู้ได้เนี่ยมันไม่รู้จะผ่านความเพียนผ่านความ สติความรู้สึกตัวผ่านสัมผชสย่าานความตั้งใจผ่านฉันทะความพอใจที่จะทําอะไรมันก็ผ่านหลายตัวเป็นฟังก์ชันของมันดันั้นเวลาเข้าไปเนี่ยเข้าเก็บอารมณ์เนี่ยถ้าหากาเราเป็นคนใหม่เราอาจจะตั้งจิตไม่ถูกไม่รู้จะตั้งต้นอย่างไรก่อนก็เหมือนเราปฏิบัติ ท, ที่นี่แหละว่าก็ต้องดูสภาพพร้อมตัวเองก่อนว่าจะนั่งพร้อมที่จะนั่งหรือพร้อมที่จะเดิน แต่เวลาเก็บอารมณ์เนี่ยพยายามนั่งให้มากเดินเนี่ยไว้เป็นอีบทค่อนคลายเท่านั้นไม่ใช่เป็นอีโบทหลักนะนนั้นก็ผู้ชายเราลองดูสามท่านยมเจรัญโยมตนกาคุณหมอแล้วผู้หญิงเราทั้งสามท่านคุณเอื่องเกยโยมมาลัยศรีจากนั้นแล้วก็ดูว่าใครต้องการได้อารมณ์ต้องการจะเก็บอารมณ์เ็อจะดูเป็นได้ไป เพราะว่าเราต้องการศึกษาให้ครบขบวนความของการเจริญสติแบบที่ว่าเราเจริญสติไปได้ระดับหนึ่งแล้วรู้หมดหมู่ของว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นสติอะไรเป็นนามรูปคือความคิดอะไรเป็นรูปนามคือรู้สึกที่เฉยๆรู้สึกที่ปัจจุบันอย่างนี้ให้รู้หมดหมู่อารมณ์นี้ชัดเจนแล้วพอเข้าไปมันก็จะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้ ตัวหลักๆแต่ถ้าเราจัดการตัวหลักๆเหล่านี้ไม่ลงตัวไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันถึงไปผลิตผลออกมาเป็นความขี้และอารมณ์ต่างๆตรงนั้นมันจะทําให้เรา เ, าเก็บมันไม่ได้มันจะฟุง้งซ่านอุ่นวายปวดเสียเงียบก้าว อ, อึดอัดอะไรต่างๆเป็นไปสนุกเพราะเราไม่ทันตัวความรู้สึกที่เป็นรูปเป็นานามนี้นะดังนั้นเองการปฏิบัติโดยวิธีนี้มันเหมือนกับไก่ ที่มันไข่ไประยะหนึ่งมันก็ต้องการฟักฟักเพื่อได้เป็นรูกทีนี้ในช่วงที่มันไขน่มันเหมือนกับเราเก็บความรู้สึกตัวเก็บรู้จักอันไหนเป็นอันไหนรู้สึกตัวนี่คือการรับรู้ต่อการเคลื่อนการไหวรับรู้ต่อการความรู้สึกเยื่อหนองแข็งชัดเจนรับรู้ต่อความคิดและอารมณ์รับรู้ต่อ สภาวะทำที่เป็นปรมาที่เป็นสมมติกับรู้ต่อสิ่งเล่านี้ในสามสี่วันเนี่ยเสร็จแล้วพอเรารู้สิ่งเหล่านี้ว่าที่เข้าใจนี่ถูกหรือไม่ถูกมันก็จะไปพิสูจน์เป็นที่เราเก็บอารมณ์ว่าเราจัดการกับอารมณ์มาแต่ละตัวนี่ได้ถูกต้องไหมนะถ้าได้ถูกต้องหมายควว่าออมันก็เป็นความชัดเจนอีกต่อไปมันก็จะ ทำง่ายขึ้นความจริงแล้วการเก็บอารมณ์คือต้องการที่จะโฟกัสฝึกโฟกัสจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งให้แน่นอนคือสติสมาธินั่นเองเมื่อเก็บเก็บอารมณ์เป็นเนี่ยเวลาเราก็จะอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวเราก็จะระวังความคิดอยู่กับมิตรล้วก็จะระวังการพูดจาอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเก็บอารมณ์จะได้อยู่คนเดียวไม่เป็น อยู่คนเดียวก็หาเรื่องมาเล่นหาเรื่องมาคิดหาเรื่องมาทำหาเรื่องมาพูดหาเรื่องมาปูมาแต่งอนุนบ้างอันนี้บ้างเพราะเราไม่เห็นตัวจิตที่มันที่ไม่มีความคิดเนี่ยเราไม่เคยเห็นมันแต่เราฝึกอยู่คนเดียวเพื่อเห็นจิตที่ไม่มีความคิดมันเป็นอย่างไรจิตมีความคิดเป็นอย่างไรเราก็จะฝึกให้จิตของเราได้สัมผัสภาวะเหล่านี้บ่อยๆเพืาอจิตของเราได้สัมผัสสภาวะว่าจิตที่ไม่มีความคิดเป็นจิตว่างจากความคิดเป็นจิตอย่างไร และจิตที่มันมีความคิดจะไม่ว่างจากความคิดไม่ว่างจากการผูกแต่งเป็นอย่างไรและจะเห็นความตาม่างของสองสภาวะจิตนี้พอเห็นความต่างแล้วก็เราจะเห็นว่า อ, อจิตมีความคิดเหมือนเราจับของที่มาถือเอาไว้รู้สึกอย่างไรถ้าจิตไม่มีความคิดเหมือนกับระวางของนี้ลงไปรู้สึกอย่างไรโดยแสงชัดจานทร์ก็คือถ้าถือของมาก็รู้สึกหนักเป็นภาระแต่ระวางของสิ่งนี้เราไปรู้สึกเบาเป็นอิสระ ให้จิตได้สัมผัสความเป็นเบาและเป็นอิสระเนี่ยบ่อยๆเพราะจิตมันจะมีที่อยู่ตัวความเป็นอิสระตัวเบาสบายตัวรู้เนี่ยเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ของมันแต่ละเวลาที่ผ่านมานั่นก็คือจิตจะต้องสร้างภาระคือหาสังขารมาเป็นที่อยู่หาเรื่องมาเป็นที่อยู่ของมันอันนั้นบางอันนี้บาง ตลอดไม่ว่าเราจะคินข้าวอาบน้ำอะไรก็ตามาหาเรื่องมาคิดไปเรื่อยไปที่อยู่นะแต่พอเรามาเจริญวิปัสสนากรมรมฐานเนี่ยต้องการให้จิตเป็นอิสระ ร, รับรู้ต่อสภาวะที่มีอยู่โดยไม่เข้าไปยึดประคองไปถือไปเป็นเจ้าของนะแต่ในกรณีที่ จิตมันมีอารมณ์มีความคิดบางเรื่องบ้าบ่าผุดขึ้นมาทําอย่างไรแล้วเขต้องมาตั้งต้นที่การปรับอารมณ์รูปนามปรับปัจจุบันให้ชัดแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักรูปนามหรือไม่ชัดเจนในรูปนามเวลาความคิดและอารมณ์อะไรเกิดขึ้นป๊อเนี่ยเราก็จะหาความคิดอีกอันหนึ่งมาแก้อันนี้คือมันจะยุ่งเอาความคิดไปแก้ความคิดเนี่ยมันมั่วเลยแหละเพราะนั้นต้องการเอาความรู้สึกตัวตัวรู้ตัวปัจจุบันเนี่ย ให้ชัดเจนเมื่อจิตมาอยู่กับตัวนี้ปั๊บเพราะจิตมันมีขนาดเดียวเมื่อมันมาอยู่กับตัวนี้มันก็ต้องไปอยู่ตัวนั้นไม่ได้นะแต่ดูว่าทําไมมันรู้หลายอย่างก็เพราะว่าความถี่มันสามารถรู้ได้เร็วหมุนเร็วความถี่ของจิตแต่พอเราจับความถี่ของจิตอันหนึ่งมาอยู่กับอันหนึ่งชัดๆเส้นเนี่ยมันก็หลุดจากอีกหนึ่งมันหมุนไปไม่ได้นหมุนไปไม่ได้ดังนั้นเองในจุดนี้คือความหมายของการเก็บอารมณ์ การเก็บอารมณ์คือการสัมรวมนั่นเองเก็บกายเก็บว่าจจเก็บใจมาอยู่หน้าปัจจุบันเก็บรูปเก็บตาหูจมูกลิ้นกายใจมาอยู่หน้าปัจจุบันเรียกว่าเก็บอารมณ์เพราะตัวรูปตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีกายว่าใจใจก็ดีมันเป็นตัวสร้างอารมณ์แต่อารมณ์มันไม่มีตัวตนที่จะให้เก็บมันก็จะมาเก็บอายตนะเก็บทวารเหมือนกับเราต้องการ เก็บบ้านมาให้ขโมยขี้โจรหรือไม่ให้อะไรมาเข้านี่คําว่าเก็บบ้านของเราก็คือไม่ใช่ไปเก็บในบ้านให้เรียบร้อยคือการปิดประตูหน้าต่างนั่นแหละเพื่อมาใหา้ใครเข้าไปได้มันก็เก็บของทุกอย่างของในบ้านถูกเก็บก็คือปิดหน้าต่างทีนี้เราจะาเก็บอารมณ์ทุกอย่างให้มันเป็นปัจจุบันเก็บมาอยู่ในปัจจุบันนี้ เราก็มาดูที่ปัจจุบันกายวาจาใจของเรามาระวังปิดสํารวมตรงนั้นเอาสติมาสํารวมระวังแล้วก็มาสํารวมระวังถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่ให้ไปแสบสายการอารมณ์ต่างพยายามสลัดที่กลับมอยู่ในะปัจจุบันปัจจุบันมีอะไรเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าเอาความเป็นตัวตนเป็นอดีตอนาคตเข้าไปเอาความมีอยู่ภาวะที่มีอยู่คืออะไร มันก็จะแยก <c oughs> ตัวรู้มันก็จะแยกจิตออกจากกายแยกกายจากจิตได้แยกรูปจากน้ำแยกนามออกจากรูปได้คือหมายความว่าจิตมันสามารถแยกมาอยู่หน้าปัจจุบันสภาวะปัจจุบันที่เป็นรูปน้ำแล้วสังเกตว่ารูปน้ำ ม, มันมีสติรับรู้อยู่เมื่อมีความคิดอะไรบางอย่างเราก็เห็นก็เป็นนามรูป นป่นเป็นนามรูปเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่านามรูปนี้ไว้ใจไม่ได้นะ่นคือปล่อยปละละเลยเดี๋ยวมันสร้างเรื่องนัเราก็ไม่ไม่ไม่ไปต่อเติมอะไรมันกลับมาอยู่รูปที่ชัดนามรูปก็หายไปแต่มเมื่อไรมาอยู่นามรูปปัจจุบันไม่ชัดนามรูปก็ปรากฏเพราะนามรูปปรากฏเรายังไม่ใส่ใจที่จะจัดการปรับคืลความรู้สึกให้ชัดนารูปไปสร้างความคิดนี้ มันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนองมันอย่างนี้ฉะ น, นั้นเองในช่วงของการเก็บอารมณ์การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนเยี่อบทอะต่างๆนี่ให้ชัดไว้ก่อนมันอาจจะช้ากว่าปกติก็ได้เพราะาต้องการความชัดเจนแต่ว่าต้องระวังการกดการเพ่งการจ้องการบีบบังคับตัวเองคือทำทุกอย่างให้รู้สึกผ่อนคลายสบายๆแต่มีความระวังอยู่ในที แต่ถ้าเราตั้งใจมากเกินไปมันจะตึงจะเครียดจะเกร็งจะไม่สบายอันนี้ไม่ถูกละอันนั้นเป็นตัวอยากเป็นตัวด่นหาอุปทานเข้าไปจัดการแต่ถ้าหากว่ามันเป็นตัวผ่อนคลายสบายๆเป็นตัวสติมันเป็นลักษณะประคองเราเข้าใจในสิ่งที่ทำเป็นลักษณะของตัวสมรชยญะญและปัญญาว่าเราาลังทำอะไรเพื่ออะไรซึ่งเป็นลักษณะของสมัมชัญญะ ที่ได้กล่าวมาเมื่อวานว่าจะต้องรู้ถึงเป้าหมายว่าเราทำเพื่ออะไรและก็ทำอย่างไรสะดุกสบายปโปรง่งแล้วก็ <c oughs> ให้กายกับใจมาโครจอรอยู่ร่วมกันอย่างสมเสมอแล้วค่อยตรวจสอบทั้งสามประการนั้นใ ห, ให้ชัดเจนเอาไว้สมัมผัสยะที่ว่ามาเมื่อวานลองเอาไปฝึกใช้ดูในช่วงที่ปัจจุบันเราเข้านี่ เขาเกี่อารมณ์ปับเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือความรู้สึกตัวโปร่งเบาสบายแล้วมีหรือยังมีก็รักษาบริหารไปแล้วในช่วงที่เราดูแลความปร่งเบาสบายก็ถือว่าเป็นปกติซึ่งเราแสวงหาตัวนี้อยู่มันคือเป้าหมายของเราความโปร่งเบาสบายเป็นอิสระไม่มีอะไรผูกมัด ไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับความคิดไม่ขึ้นกับอดีตไม่ขึ้นกับอนาคตไม่ขึ้นกับเรื่องราวต่างๆไม่ขึ้นเป็นอิสระจากมันทุกอย่างมาลงตัวณปัจจุบันเราก็บริหารตัวปัจจุบันไปอย่างเงี้ยให้ชำนิชำนาญให้จิตได้เสพคุ้นกับความรู้สึกนี่บ่บอยๆเมื่อจิตได้เสพจิตได้เสพคุณบ่บอยๆมันก็เกิดทักษะตว์เกิดทักษะที่จิตจะมีที่อยู่ใหม่มีที่อยู่ความโปร่งเบาอิสระ ไม่เกลง็งไม่เจ็งไม่เครียดไม่วุ่นวายซึ่งแล้วแล้วมามันเป็นลนักษณะเป็นมีความอยากเป็นที่อยู่มีความคิดเป็นที่อยู่มีความเป็นเจ้าของเป็นที่อยู่แต่พอเรามาฝึกตัวอิสระโปรง่งเบาสบายผ่อนคลายจิตมันก็อยู่ง่ายทีนี้นั่นคือเป็นที่มาของความสุขที่เราต้องการนะ แล้วทำให้ชํชนานิชํานาญเพราะว่าเมื่อเราไปออกไปประกอบภารกิจหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยถ้าจิตเรามีที่อยู่อะไรเกิดขึ้นปักจิตมันก็หลบมาอยู่กับตัวนี้อะไรเกิดขึ้นปักจิตมันก็มาหลบอยู่ตัวนี้มันไม่ไปโดดเข้าไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆแล้วว่ากลับบ้านถูกจิตกลับบ้านถูกบ้านดเดิมๆของจิตคือตัวนี้อิสระปร่งเบาสบาย ไม่เครียดไม่เกิ็งไม่เพง่งไม่ช่องผ่อนคลายแล้วก็มีหน้าที่ทำการล้วก็ทำไปตัวที่จิตไปจัดใช้ตัวสติปัญญาไปจัดการแต่เมื่อก่อนมันใช้จิตใช้อวิชชาตันหาอุปทานเข้าไปจัดการอันนี้คือเป้าหมายนะแลนั่นเองในเวลาที่เราปฏิบัติมาสองสามวันเนี่ยก็คือการเตรียมจิต เราให้พร้อมแล้วก็ในแต่ละวันมันจะให้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้เรื่องของความรู้สึกตัวเรื่องของเวทนาระดับต่างๆเป็นยังไงรู้จักไหมเข้าใจไหมกาจัดการถูกต้องไหมก็ปรับวนไปปรับมาตอนนี้ก็หลายคนเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นชัดเพื่อจะให้แน่ใจว่าเเราเข้าใจเห็นชัดสิ่งเข้าใจหรือเห็นชัดถูกต้องหรึเปล่าก็ลองไปอยู่คนเดียวดูถ้าไปอยู่คนเดียวเรารู้สึกเออมันทําได้ ต่อไปแล้วก็จะมีทักษะมีความเชี่ยวชาญนนต่อไปต้องการเก็บอัลลุมตัวเองที่บ้านสักวัน2วันสามวัน5วัน7วันแล้วก็ทําได้เลยหรือที่ไม่ต้องว่าเออจะวเราไปเก็บอัลลุมที่นู่นที่นี่ที่บ้านเราดีที่สุดแต่ว่าบ้านเรา <c oughs> ถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงก็เก็บไม่ได้ถ้าเราไม่ชํานาญจริงก็เก็บไม่ได้เพราะมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายนะคือบรรยากาศที่ไม่เ อ, อื้อ การที่เราไปสํานักไปวัดไปวา่าก็เพื่อที่ต้องการบรรยากาศที่เอือ้อต่อการฝึกฝนและพัฒนาเมื่อฝึกฝนพัฒนาเป็นแล้วเราก็ลองไปใช้ดูไปใช้เมื่อใช้เป็นก็นหมาก็ผ ล, ลออกมาชิ้ของเราก็จะมีอิสระมีความสุขแล้วไม่ขึ้นแก่อะไรขึ้นแก่สภาวะธรรมที่โปร่งเบาสบายอิสระแต่ถ้าเราไม่สัมผัสสิ่งนี้จนชำ น, นิชำนาญจิตไม่มีที่อยู่ที่แท้จริง มันก็ไปขึ้นกับเรื่องอื่นขึ้นลักษณะยึดแต่ไม่ใช่ขึ้นลักษณะที่พึ่งพาหรือลักษณะพักพิงแทนที่จะเป็นพักพิงแล้วก็ผ่านไปเราคุยยึดเอาบ้านนี้เป็นบ้านของเราเลยแทนที่จะบอกเออที่นี่เป็นสลาพักพิงเ พ, งพื่อทำภารกิจบางอย่างแล้วก็ผ่านไปเราอยู่ในภาวะของการเดินทางเราต้องเดินทางไกลก็ต้องผ่าน เดินทางผ่านความโลภความโกรธความหลงมันกพยายามพี่จะยึดเราเข้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งเราก็ฝึกศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อให้เป็นเส้นทางเดินแล้หรือปับ๊บมันก็โลภโกรธหลงก็จะล็อกเราเข้าเป็นเจ้าของสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ยอมเดินทางแล้วทีนี้เขาเรียกว่ายึดดังนั้นการเดินทางทางจิตมันเป็น ภาวะที่ยาวไกลท่านบอกว่าหนทางยาวยาวไกลสำหรับคนที่หนิดเหนื่อยเมื่อยลา้าคนที่แบกภาระหนักลาตียาวสำหรับคนที่นอนไม่หลับนะวัดสะสมสานิยาวสำหรับคนไม่รู้ทำนะอันนี้มันไม่ที่สิ้นจบนะ <c oughs> แต่ว่าพอเรามารู้เรื่องนี้ปั๊บเนี่ย มันไม่ยาวนะวัตถุสารขอเราสั้ๆนๆะคือจิตของเราไม่ต้องไปท่องเที่ยวในอวิชชาตานาอุปาทานนะเพราะมันมีที่อยู่แล้วไม่ต้องเล่ย่อนแล้วจิตไม่เมื่อก่อนมันเล่ย่อนไปอารมณ์ต่างๆไปความคิดต่างๆใช่ไหมแต่ดีนี้มันไม่เล่ย่อนมันกลับมาอยู่ที่ชัดเจนตัวนี้เขาเรียกว่าเหนี่วเอานิพานไปที่พึ่ง นิพพานคือลักษณะจิต ท, ที่เป็นอิสระปร่มเบาสบายไม่ ต, ตึงเครื่งเครียดไม่พึ่งพาอะไรที่เป็นภายนอกไม่พึ่งพาอะไรที่เป็นวัตถุอารมณ์ทั้งหลายนะแต่อาศัยเพียงรูปเป็น <c oughs> ที่พักพิงหรือเป็นที่ข้ามถ้าสมมติเส้นทางนี้เป็น ทางน้ําก็เลยแบบเป็นเหมือนแพหรือเรือที่อาศัยเพียงขําม้ากไม่ใช่ยึดเอาแพเอาเรือเป็นบ้านนะไม่ใช่ยึดเอาบ้านข้างทางเป็นที่อยู่แต่เราต้องการไปสู่เป้าหมายคืออิสราภาพที่เป้าหมายของเราเป็นนั้นนั้นเราต้องไปฝึกดูน ะ, ะแล้วก็ในช่วงที่เข้าเก็บนั้นผู้ที่อยู่กลุ่มข้างนอกอามาก็าจะดูแลแต่ส่วนที่ไปเก็บตรงนั้น บางทีก็จะแวะไปดูเป็นคร่าวๆไปเป็นยังไงเก็บเป็นไหมเขาทำใจถูกไหมเ <c oughs> นีเพราะนั้นในทางของผู้ชายสองห้องใหญ่ทางของผู้หญิงมีสามห้องใหญ่ใช่ไหมก็ ช่วงแรกนี้เข้าไปห้องระคนก่อนแต่ถ้าได้ใครต้องการที่ทดสอบว่าตัวเองจะทําได้ก็จะเพิ่มไปห้องระสอคนได้สรับผู้หญิงผู้หญิงเรมากกว่าผู้ชายนะแต่สําหรับผู้ชายต้องเข้าไปสองสาท่านนี้ก่อนแล้ว ถ, ถึงเวลาทานอาหาระจะรับช่วงเช้าหรือช่วงเพลินพอรับเสร็จแล้วก็ะจะถือไปนั่นอาจจะไกลเพราะเราผู้ที่อยู่ข้างนอกไปทานที่นู่นเพราะนั้นผู้ที่เก็บอรมณ์ก็มานั่งฐานที่นี้ ทานเสร็จแล้วก็เกี่ยวข้อตัวก็กลับไปนั่งฐานที่นี่ก็ได้ท่านถือไปที่โน้นอาจจะเป็นที่ไกลเพราะนั้นคุณพิมใจกับคุณวิภาอยู่ข้างนอกหดูเนาะมาเก็บข้าในสองวันได้ให้เพื่อนได้เก็บดูว่างเพราเราเก็บมาหลายครั้งแล้วเพื่อนคนที่เขากำลังฝึกยังไม่เคยเก็บนู่มีต้องลองดูมุเก๋ยังไม่เคยเก็บเลยใช่ไหมฮ ะ, ะยังไม่เคยคุณเอียงเคยนะ ไม่เคยถ้าเก็บ2วันได้ต่อไปก็เก็บ3วันได้เก็บ3วันได้ต่อไปก็เก็บ7วันไดน้ถ้าเก็บ7วันต่อไปก็เก็บ10วันได้มันก็แบบถ้าเก็บนี่เพื่ อ, เ พ, อ, เ, พอเพื่อเพื่อจะเก็บครั้งเดียวแล้วไม่ใช่ทะลุเป้าหมายมันก็ประหยัดเส้นทางของจิตเนี่ยสั้นเข้าไปเรื่อยๆอ่าสมมุติว่าเส้นทางเราจะต้องเดินอีกสักร้อกิโลเนี่ยเก็บครั้งนี้เราวจะเก็บได้ละสิบกิโ ล, ลเที่ยวต่อไปได้ถึง10กิโล ระยะทางที่จะต้องเดินมกักสั้นไปด้วยถ้าเป็นอารมณ์ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรกระทบ ป, ปับ๊บมันต้องคิดทั้งเข้าไปอยู่ในความคิดทั้งหลายนาทีสักสินาทีอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้กระทบ ป, ปับ๊บมันเหลือแค่เจ็ดปดนาทีเก็บข้งออไปกระทบ ป, ปับ๊บมันอาจจะเหลือหนาทีเก็บข้างออกไปกระทบ ป, ปับ๊บอาจจะเหลือสองสนาทีเก็บข้างออกไปกระทบ ป, ปับ๊บ อ, อาจจะหลุดปั๊บเลยก็ได้บางอารมณ์อันนี้คือหมายเส้นทางของอารมณ์ลักษณะอย่างนั้น ถ้าเบียบเบี้ยเหมือนเส้นทางระยะยาวมันจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ในชีวิตประจำวันบางเรื่องที่มันสลับสําคัญเกี่ยวกับผลได้ผลเสียอะไรเนี่ยมันก็จะรู้จักวิธีคิดแล้วก็ใช้เวลาสั้นเพื่อจิตของเรามันจะได้เป็นอิสระเรื่องการงานต่างๆเพื่อเลี้ยงอัตภาพนี้ก็มันเป็นเครื่องมือให้ดํารงอยู่ไม่ต้องเสียเวลากับมันมากวายแต่เวลาที่เราจะต้องมาทําให้จิตวิญญาณเขาเป็นอิสระจากสิ่งเนี้ยมันต้องทําให้มาก เพราะเราเป็นนักโทษของวัฏสงสารมาไม่รู้กี่พวกกิชาตแล้วติดในคุกอันนี้เราก็น่าจะรู้จักขิดหลับขับจนะํามึงเนาะยังชอบอยู่ในคุกนี้ตลอดมันก็ไม่ไหวอนะก็เอาตัวออกมาจากคุกเสียบังออกมาจากคุกคือความคิดที่เกิดด้วยวิชาดันหาวิหานเนี่ยเป็นคุกขังเราขังใจเราออกไปไม่ได้ ที่สุดเราก็มาสร้างคุกสร้างผ่านสร้างลูกสร้างเมียสร้างครอบครัวสร้างลำวงวงสกุลสร้า ง, ง, รางพาระระหน้าที่อะไรมากมายเป็นคุกหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นเข้าไปจนยากแก่การที่จะรูปบุพังมนออกมาแต่คนไหนที่สามารถออกมาคุกเป็นชั้นเป็นชั้นได้ก็โอกาสเป็นอิสระมากขึ้นเห <c oughs> มือนนกอ่ มันกินต้นไม้กินผลไม้ได้ทุกต้นพอมันมาอยู่ต้นไม้ต้นหน่งมันบินไปเรื่อยๆต้ไ น, น, นตไหนอร่อยมันกินต้นไหนมาอร่อยก็เลือกได้แต่นกตัวใดตัวหนึ่งมันกินผลนไม้นี่อร่อยอชมกินมะม่วงอ่นี้นะอ้อร่อยมะม่วงเนี่ยแกถือไว้สักสองสามลูกกันหน้าบินไม่ไหวแล้วทีนี้เอามะม่วงไปด้วยเลยือกต้นผลไม้ตัวาานี้อร่อยฉันไม่หนีไปไหนเดี๋ยวก็นในพานเอามายิงไปกิน อพอไปติดนิดเทนั้นเหมือนกันนะถ้าเราไปชอบอารมณ์ใดหนึ่งเราไปติดอยู่กับอารมณ์นั้นเดี๋ยวก็มานก็ไปยินเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอิสระเหมะือนนกมีแค่ปีก่งเป็นรูปปีกหนึ่งเป็นน้ำบินไปได้ทุกทุกแห่งนะแต่ถ้ามีภาระหลายอย่างบินไม่ขึ้นเนะพราะอะไรติดแล้วติดบ่วงบินไม่ขึ้นในพานะ์เาบ่วงมารัดเอาไว้หมดบ่วง โบราณอีสานคืบวงข้อปลูกศอกปอกใส่เท้าบวงปลูกค อ, อ, อ, อคืออะไรบวงปลูกคอ <c oughs> ก็คือลูกออกไม่ได้ปลูกศอกเชือกปลูกศอกคืออะไรอันนี้ยาสามี <c oughs> ปอกใส่เท้าคืออะไร ทัพ ส, สมบัติหาวาไว้ทิ้งไม่ได้หาไว้ตลอดชีวิตอ่าทิ้งไปไม่ได้สามปอกนี่นั่นเวลาคนตายก็ถึงมัดตายสามสามทำมันมัดตายสามเอาไว้ไม่ให้หลุดไปจากวัดตายสงนนยกกสงรร า, ารสานั่นเองบ่งพุกคอปอกพุกซอปอกแต่เท่าคือราคาทูสักมูฮันนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีลูกภริยาสามีไม่มีสมบัติมันจะปรัก จะจ่ายไอ้บ่วงก็ไม่ใช่เพราะบ่งที่ได้จริงคือราคาโทรศัมห้านั่นเองดัด บ, บ่วงอันนี้พอดัดบ่วงอันนี้ได้การมีรูปภันยาสามีก็ไม่ได้เปดูุปสักอะไรแต่ถ้าเราดัด บ, บ่วงข้างในไม่ได้รูปภันยาสามีทรัพย์สมบัติก็เป็นตัวมัดให้แน่นก็ไม่ได้แต่ถ้าเราดัดบรรเทาราคาโทรศัมห้ข้างในลงการมีทรัพย์สินสมบัติมีรูปภันยาสามีก็เป็นก็เป็นเพื่อน เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องมือในการแสดงให้สารภาพทนั้นเองนะนั่นเอเราจะเห็นว่าคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลที่มองเห็นได้ท่านบอเป็นอาศจริย์เป็นอนุสาสนีปฏิหารคือลําดับให้เห็นขั้นตอนได้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ว่าทําไปทําไปแล้วมันดีเองไม่ใช่มันต้องเห็นขบวนการขั้นตอนเป็นไปได้อย่างไรในพุทธศาสนา มีอิทธิปฎิหารมีอเทศนาปฎิหารมีอนุสาสนีปฎิหารแต่ผู้เรียบไม่สนใจเสื่อนอิทธิปฎิหารอาเทศนานปฎิหารแต่สนใจเสื่อนอนุาสาสนีปฎิหารคือทุกคนสามารถเข้าใจได้ในขบวนการอ น, นั้ น, นว่าเราจะไปดับทุ้ขไปอย่างไรมีขบวนขั้นตอนอย่างไรเราจะออกปัญหาโจ น, นี้เราจะออกอย่างไรมีขบวนการขั้นตอนอย่างไรเนี่ยมันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้มีความตั้งใจ อย่าไปเสียเวลาไปกับเรื่องไม่จำเป็นในชีวิตจริงของเรามันเยอะแยะเลยนะเรื่องที่ไม่จำเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆมันมีไม่กี่เรื่อง <c oughs> ดูให้ดีตั้งแต่ตื่นเช้าจนนอนมีเรื่องไม่จำเป็นเยอะแยะไปหมดเรื่องที่จะเป็นก็มีอยู่สีเรื่องคือหาปัจจัยสี่เพื่อการดารงชีวิตหาเสื้อผ้าหาอาหารหาที่อยู่อาศัยหา วิธีการรักษาเยียวยาโครคภัยไขเจ็บตัวเองแต่ในสีเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องประกอบเข้ามาปัจจัยสีก็เป็นปัจจัยเท่าไรนับไม่ท้วนเป็นปัจจัยที่หนึ่งร้อนไอ้จาก5ขึ้นไปถึงหนึ่งอเนี่ยเป็นปัจจัยที่ไม่เป็นจำเป็นนะเป็น unnecessary material ฉะนั้นนั้นก็จึงอยากจะให้เราได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเราจะมาศึกษาเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ท่ มาเจอกันง่ายๆนะในวิธีการพูดเย็นแล้วก็เป็นวิธีที่เราไม่ใช่รับได้ง่ายๆเดือดรนวิธีรับได้ยากแต่คนไหนมาศึกษามาปฏิบัติรับได้เลยนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลนะเป็นบุญเพราะคนอื่นที่เขารับไม่ได้ก็เยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ที่แปลกแตกต่กางไปจาก เ, จเพื่อนมันไม่ค่อยน่าวไว้ใจเท่าไหร่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าถูหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่ปาเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจ แต่หาลู่ไว้อันนี้คือเป็นเส้นทางที่เราทิ้งมันมานานหลวงพ่อเห็นท่านเปรียบเส ม, มือนว่าเป็นเส้นทางเก่าแก่ที่คนทิ้งไม่เดินแล้วพุทธเจ้าท่านพาเดินมานานแล้วแต่คนทิ้งท่านเหมือนก็มาพบเส้นทางมันเป็นเขาอยู่เนี่ยก็ถามใบใหม่เส้นทางที่เขาเดินกันจนเป็ น, นโลงง่งโป่งมันไม่ใช่เส้นทางที่ไปสู่ตัวนี้อ โบราณอีสานว่าไงทางเตียนเวียนไปนนรกทางเตียนเวียนไปนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์ทางรบวกขึ้นสวรรค์นิพพานทางเตียนมักจะเวียนไป็นรกทางรบวกไปนิพพานโบราณอีสานนั่นว่าไงดูมันทางรบลบคือทางเก่าแก่แหละไม่ค่อยมีใครเดินนะทางนี้เราก็มาแพล่วมาทางมาเดินกันคนมาเดินใหม่่เอ๊ะมันทางทําไมดูมัน ไม่ใช่ทางเลยเนี่ยเพราะมันคนไม่เดินน่ะเราก็สงสัยวันใช่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องแยกไขยพอสมควรนะเพราะนั้นเวลาปฏิบัตินาทีนี้เวลาปฏิบัติมันเกิดอารมณ์เบื่อท้อถอยลังเลเราจะแก้ยังไงตัวอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างยาก หน่ากลัวเนอะทำไปอเอ้ก็มีแค่สองอย่างโ mm hmm. ดยินโยกมุมสร้างวัฏจะเอาอะไรต่อไปอีกมันคิดอย่างเงีนะ้อันนี้หมายความว่าเราเข้าไปถึงเนื้อในมันเราก็ไม่เอาแต่เปลือกนอกอ่าเราจะทําเพื่ออะไรมันจะคิดขึ้นมาตั ว, ต, วตัวมารตัวนี้มันจะทําให้เราคิดอย่างงี้แต่ถ้าเราแยบคลายเนี่ยตัวเดินโยกมุมสร้างจังหวะไม่ใช่ตัวอ่าไม่ใช่ตัวหลักแต่ตัวที่มันเกิดจากการจะทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องการดูตรงนั้น มันก็เครื่องมือจับสัตว์เครื่องมือดักปลาพวกเบ็ดพวกสวิงพวกแหเนี่ยมันเราไม่ใช้มันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอเราไปใช้มันนะมันก็จับตาได้เหมือนกันนะไอตัวความรู้สึกตัวตัวสติสัมปชัญญะเหมือนเครื่องมือเนี่ยถ้ารู้จักใช้มันมันก็จะไปจับอารมณ์ต่างๆที่มัน เรียกว่าอารมณ์ที่เป็นสุขติภูมิอารมณ์ที่เป็นอบายภูมิต่างๆที่มันมาอารมณ์ที่เป็นกุศลและอกุศลที่มันมามันมามันมาอย่างไรเราก็ไปจับมันมาไปจับมันมาเอกก็ต้องใช้สติสมาธิปัญญาเหมือนหิงเหมือนแหเหมือนเบ็ดเหมือนอวนอะไรเนี่ยก็ต้องใช้มันเป็นถ้าใช้มันไม่เป็นบางคนไปนั่งตกเบ็ดทั้งวันไม่ได้ปลาชั้นตัว่ามี แต่บางคนไปนั่งเท่าไปเด๋ยวเดี๋ยวได้ป่ามันเป็นพว ง, งนี้ก็มีก็ต้องเหมือนกันแล้วก็มีสติสมาธิปัญญาโดยเจริญอยู่ก็จริงแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นด้วยถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่เป็นอย่างโยมนั้นไม่เคยตึกแหนไม่เคยหวานแหต้องไปหวานแล้วนี่นะ <c oughs> มันก็ต้องฝึกฝึกใช้ฝึกใช้สติฝึกใช้สมาธิฝึกใช้ปัญญาบ่อยๆเพื่อใช้มันเป็นถ้าอารมณ์มันยิ่มาต้องใช้อะไรแก้อื่ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ลว้วนต้องใช้เทคนิคใช้ศิลปะทําไปเห็นว่ามีสานที่จะทําก็ทําเลยมันไม่ได้ใช้เทคนิคใช้ศิลปะก็ต้องฝึกทําสิ่งนั้นบ่อยๆรถกว่าเราจะฝึกให้ชํานาญได้นั่งกันมาสามปีเจ็ปีสิปียีป่ปีถึงจะชํานาญใช่ไหมบางทีคนขับใหม่ๆปีสองปีรถไปชนไปเฉียวยังมีบ่อยๆอารมณ์บางตัวเหมือนกันที่เราจะใช้ ให้มันว่องไวมันชัดเจ น, นต้องฝึกบ่อยๆสติมันจะมาไวทันการก็คือเมื่อคนต้องดอกย้ําในอารมณ์นั้นบ่อยๆแต่รู้จักจอาการสติเป็นอย่างไรมาเห็นให้ชัดอาการของสติมันเป็นอย่างนี้แล้วสติที่เป็นสัญญาณมันเป็นอย่างนี้สติที่เป็นปัญญายานันเป็ยี่เห็นชัดสติเป็นชัดฉันชัดจัดนก็คือเวลาเรานั่งนานๆปวดแล้วก็เปลี่ยนไป ไอการเปลี่ยนไปของของสัญชตาตญาณก็คือเปลี่ยนไปเพื่อหาความสบายอันนี้เป็นสัญชตาตญาณข้อหมายคือควาแก้ปัญหาขนาดนั้นแต่ท้าสต ท, ที่เป็นปัญญายานข้อหมายคือต้องการสองด้านความสบายด้วยแล้วรู้ว่าความสบายเกิดขึ้นได้อย่างไรความไม่สบายหายไปอย่างไรนี่สติตัวนี้จะเป็นตัวปัญญายานขึ้นมาเนี่ยฝึกใช้ ถ้าเราไม่ฝึกใช้เราก็มีแต่ด้านเดียวคือได้แต่สันชัดยานคือได้วความสบายก็จริงแต่ว่าไอ้วความสบายมาอย่างไรเราไม่รู้ไอ้วความสบายมันหายไปยังไงเราไม่รู้อ่าเพราะเป็นสติชั้นเดียวแต่อันนี้เป็นสติชั้นที่สองที่สาที่ ส, สหลายระดับอ่าเราก็รู้ด้วยว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปปั๊บตัวสัมปชัญญะ ตามเลยทีนี้สัมมาักคือติดตามดูอาการที่เปลี่ยนไปพี่ว่านั่งไปพอเปลี่ยนไปทับไปครั้งแรกมันรู้สึกสบายพอไปสักพักรู้สึกไม่สบายได้ใช่ไหมพอรู้สึกสบายสัมมาักก็ตามติดตดิอ่าแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดปัญญาปัญญาก็บอกเออระดับนี้น่าจะทนได้อยู่ก็ทาไปเรื่อยๆพอไประดับนี้รู้สึกไม่ได้แล้วนะอันตรายแล้วนะ ปัญญาประชีพเป้าสติก็ทำหน้าที่ปรับแล้วก็ตามดูว่าเออความหนักมิก่กี้หายไปอย่างนี้นะความเบาเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยคือทำน้ดเที่ยงแต่และตัวเขาสัมพันธ์กันนะแล้วการตั้งใจที่จะดูจะรู้จะเห็นเป็นสมาธิและตัวตามสำรวจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นตัวสัมปชัญญะเมื่อสำรวจไปแล้วมันไปสู่ภาวะที่ไม่พึงปรารถนาที่จะแก้ไของไเป็นปัญญา แล้วเกิดการแก้ไขอย่างมีจ huh? ังหวะชัดเจนเป็นสติเห็นไ้มมันสัมพันธ์กันตลอดในตัวนั้นอ่ะแต่ว่าเวลาเราไปฝึกปฏิบัติก็ไม่จําเป็นจะไปทักชื่อทักเสียงหรือไปนึกถึงเพาะว่าเหล่านี้เรามันเป็นบัญญัติที่มาช่วยใช้ให้เห็นขยายขบวนการขั้นตอนของนามธรรมให้เห็นชัดเท่านั้นเองแต่เพียงแต่เราเรารับรู้ว่าการเคลื่อนกันไว้มีความรู้สึกตัวชัดเจนแล้วก็สบายเกิดขึ้น ดูกายดูจิตเป็นยังไงสบายตามไหมอะไรเนี่ยนี่คือคือภาวะที่ง่ายๆแต่ว่าถ้าเราจะไปแยกเป็นภาษาบัญญัติแต่มันเยอะแยะซับซ้อนไปหมดก็ให้เกิดความงงงวยสับสนได้ถ้าเราไปสนใจมันนะแต่เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่อย่างอามารยเนี่ยอย่างหลวงพ่อนี่มีหน้าที่ที่แจ้งให้เห็นสภาทั้งสองเพราะวะ่าอันนี้เป็นบัญญัติอันนี้เป็นสภาวะอันไหนเป็นปริยัติอันไหนเป็นปฏิเวทเชีย่ยหินเท่านั้นเอง เพื่อประกันความมั่นใจว่าเราจะไม่เดินทางผิดและเราจะไม่สงสัยในการตั้งใจทำนะเพราะฉะนั้นตกลงช่วงเช้าวันนี้เราเก็บอารมเพิ่มอีกอาสามสี่ท่านแล้วกลุ่มที่เหลือเราก็จะมาปฏิบัติร่วมกันส่วนจะเราก็จะเก็บเหมือนกันอยู่คนอยู่ข้างนอกไม่ใช่ไม่เก็บนะแต่เก็บร่วม เนื่องจากว่าเสนาสนะที่เก็บเดียวเรามีจํากัดเราก็อยู่ข้างนอกเราเก็บร่วมสําหรับผู้มาใหม่สองคนนี้ถือว่ามีประสบการณ์แล้วก็เก็บร่วมได้เลยเนาะไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าเก็บไม่ได้เรื่องเดียหลวพ่อท่งจะได้สอบใหม่ว่าคุณไปทั้งต้นมาใหม่กันโ อ, อ้โหไม่ง่ายนะอ้ามีอะไรสงสัยถามเหลือเวลาห้านาทีสําหรับผู้เก็บอารหมอ่นาพร้อมไหม ลองดูนะทางใจญ่นั้นเองในแล้วหวังว่าคุณอุตต่อไปจะมีโอกาสไปเทว่ยเนอะเ <c oughs> ที่ยวนี้เป็นอ่าเป็นผู้บริการเป็นผู้รับบริการสั่งสมผู้ส่วนไว้ก่อนโยมมาเที่ยวนี้ถือว่ามาสร้างบรารมีเนอะต่อไปก็มีโอกาสได้เก็บอารมณ์กับเพื่อนพวกเนอะโยมผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะอย่าทอนะกลับไปนี่ไปโทษ คุณสามีไม่ได้พาฉันมาทําไมเนี่ยาอะไรเอามาฉันมาทรามานเอาไปเป็นเล่นงานพ่อสามีใหญ่มาเอานะเออขอบใจนี่ฉันพาฉันมาสร้างบา ร, รมีนะเออฉันจะได้มีความสุขเอามากงอนีนนน่ความสุขทั้งโลกนี่สูงมากๆแล้วเนาะหาความสุขทางธรรมบ้างความสุขทางธรรมนี่มันเอาไปด้วยได้นะเอาไปถ้าสมมุติว่าเรายัางไปมากุณิพัณฑ์ฉันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมาบา ร, รมียังไม่เต็มแล้วก็เป็น ตัวหนุนี่จะไปไปเจอไปเจอชาติหน้าไปเจอพระฟังทำแล้วอาจจะบรรลุธรรมเลยก็ได้ไม่ต้องมาปฏิบัติให้ลำบาเพราะชาตินี้มาสั่งสมมาเยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนั้นเราจะเห็นว่าสาวกของพระพุทธเจ้าบางคนฟังธรรมไม่เท่าไหร่ก็บรรลุเลยเพราะได้สร้างในอดีตมามากมายเพราะเขาฟังธรรมเขาบรรลุเลยบางคนฟังแล้วโหสิบปียี่สปียังพระหนุนฟังมายี่ปียังไม่บรรลุเลยเพราะในอดีตไม่ได้สั่งสมอะไรมามากนักสั่งสมเต็มโเรียนหนังสือนี ไม่ได้ปฏิบัติพอพ อ, พอท่านบรรลุธรรมได้แล้วโอ้โหไอสิ่งที่ท่านเรียนมาเนี่ยพระสูตทั้งหมดท่านเป็นคนสังเกตนามหมดเลยพระนุนท่านจำมาเยอะแต่ดืมปฏิบัติเหมือนนักบริทุกวันในเรียนตั้งแต่ประโยนิยมก้าแไม่ปฏิบัติเลยพวกนี้ก็จะไปเจอพระพุทธเจ้าอีกก็จะได้บรรลุธรรมเพาไม่รู้อย่างพระนุนอยู่พระเจ้ามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนพระพุทธเจ้าปรินิพานไปก็ยังไม่ไบรรลุธรรมเลยใช่ไหม อันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าการสั่งสมเอาไว้เนี่ยมันมีผลทั้งดีทั้งขึ้นทั้งรองนะเพราะฉะนั้นในช่งเช้าวันนี้เราจะรับอาหารขณะ น, นี้จะขออนุโมทนาสาธุสําหรับคนที่ตั้งใจจะเอาเข้าเก็บอารมณ์แล้วก็ผู้ที่อยู่ข้างนอกก็เก็บอารมณ์รวมกันเพราะเรามีเวลาน้อยแล้วก็สถานที่พร้อม จะมีฟ้าฝนตกออมาก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราข้างหลังมีศรัทธาและความตั้งใจมีความเพียรอย่างต่อเนื่องอขอให้การตั้งใจเกี่ยวกับเรองนี้เป็นผลให้เราได้ที่อยู่ที่แท้จริงของเราด้วยกันทุกคนทุกท่านเือ